หกักกะวาระว่าด้วยหมวดห326อคาระวะมีหคาระวะมีหวินีตวัตถุมี6สามีจิกรรมมี6สมุดฐานแห่งอาบัตมี6อาบัตมีการตัดเป็นวินัยกรรมมีหภิกษุต้องอาบัต ด้วยอาการหการทรงวินัยมีอานิสงหกสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมีหภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรหปราตรีจีวรมีหชนิดน้ำย้อมมีหชนิดอาบัตเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจามีหก อาบัติเกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายมีหอาบัติเกิดทางกายวาจากับจิตมีหกรรมมีหมูลเหตุแห่งวิวาทะมีหมูลเหตุแห่งอนุวาทะมีหสารานิยธรรมมีหผ้าอาบน้ําฝนยาวหกคืบพระสุคต จีวรกว้างหคืบพระสุคตนิสัยระงับจากพระอาจารย์มีหอนุบัญญัติในการอาบน้ํามีหภิกษุถือเอาจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไปเก็บเอาจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไปองค์หแห่งพระอุปัชาภิกษุ ประกอบด้วยองค์หพึงให้กุลบุตรอุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามเณรอุปถาคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสะขะ 2. ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสะขะ 3. ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสะขะ 4. ประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอเสะขะ 5. ประกอบด้วยวิมุตติยาณทัทสนขันอันเป็นอเสะขะ 6. มีพรรษาครบสบิหรือมีพรรษาเกินสิบพิกษุประกอบด้วยองค์หแม้อีกอย่างก็พึงให้กุลบุตรอุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สา ม, มเนณนอุปถากคือ 1. ตนเองประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอาสขะและชักชวนผู้อื่นในศีลขันธ์อันเป็นอาเะขะตนเองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอาสะขะและชักชวนผู้อื่นในสมาธิขันธ์อันเป็ น, น อ, อสาสะขะ 3. ตนเองประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอาสขะ และชักชวนผู้อื่นในปัญญาขันอันเป็นอเส่ะ 4. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอเสขะและชักชวนผู้อื่นในวิมุตติขันอันเป็นอเสขะ 5. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติยานัทสนขันอันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่นในวิมุตติยาณทัศนขันอันเป็นอาเสขะหกเป็นผู้มีพรรษาครบสิบหรือมีพรรษาเกินสิบภิกษุประกอบด้วยองค์หกแม้อีกอย่างก็พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สัมมะเนนอุปถากคือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีหิริ 3. เป็นผู้มีโอตตปะ 4. เป็นผู้ปรารบความเพียน 5. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 6. เป็นผู้มีพรรษาครบสิบหรือมีพรรษาเกินสิบภิษุประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกก็พึงให้กุลบุตรอุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามเณรอุปถาคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศีลวิบัติในอัติศีล 2. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัชาจาร 3. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นพระหูสูตรเป็นผู้มีปัญญา 6. เป็นผู้มีภาษาครบสิบหรือมีภาษาเกินสิบ ภิกษุประกอบด้วยองค์หกแม้อื่นอีกก็พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามเณรอุปถากคือ 1. สามารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัตวิทวิหาริกผู้เป็นไข้ 2. สามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสัน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 พึงใช้สามเณรอุปถาคคือ 1. สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัตวิหาริกในอภิสมาจาริกาสิกขา 2. สามารถแนะนำในอาทิพรมจาริกาสิกขา 3. สามารถแนะนำในอภิธรรม 4. สามารถแนะนำในอภิวินัย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 การงดพระปาติโมกไม่ชอบธรรมมีหกอย่างการงดพระปาติโมกชอบธรรมมีหกอย่างฉักกะวาระจบ